แปดชาตินั้นไม่ว่าชาติอย่างใดใดก็ยังเป็นทุกข์ชาติคือความเกิดกลางๆางการเกิดทุกชนิดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดของอะไรทั้งนั้นซึ่งการเกิดนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าชาติปีทุกขาแปลว่าการเกิดใดใดล้วนเป็นทุกข์ แม้จะเป็นการเกิดขั้นอาภินิพพิถึงขั้นนิพพานพาดแล้วก็ยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้ตราบที่มีนิพพานแล้วแต่ยังเหลือขันห้าก็ยังมีทรถะซึ่งเป็นทุกข์ของพระอรหันต์อันเป็นอจินไต อย่าไปคิดเอาเองคาดเอาเองเลยคิดคาดเอาอย่างไรอย่างไรก็ไม่ตรงตามสภาวะของความเป็นจริงนั้นได้เช่นสภาวะทุกข์ทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายนิพพัท์ทุกทุกอยู่เนืองนี้คือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ อาหารปริเยต ท, ทุกทุกเพราะการทำงานแสเวงหาอาหารพยาธิทุกขทุกเพราะอาวัยวะเจ้าการทาหน้าที่ไม่ปกติทิปากกทุกทุกเพราะผลกรรมเรื่องวิบากเก่าไม่ได้วิบากตามมาทานแล้วเล่นงานเอาทุกขขันทุกรวบยอดเพราะการประชุมแห่งขันห้า อันยังอาศัยชีวิตอยู่ซึ่งแม้จะเป็นอรหันต์แล้วก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามยังมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นี้อยู่ส่วนทุกข์ะอริยสัจที่ทำให้ดับหมดสิ้นได้คือปากินนากะทุกข์ทุกจรแห่งกิเลสคือโซกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาตสันตาปะทุกทุกคือความร้อนเผาใจอันเนื่องมาจากกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะแผดเผาสหคขตตาทุกทุกไปด้วยกับโลกเช่นลาบยศสันเสริญโลกียสุขวิวาทะมูลกะทุกข์ ทุกเพราะมีสงครามวิวาทเป็นรากเงาทุกที่ดับจึงดับเฉพาะทุกข์อาเรยสัตย์เท่านั้นอันเป็นทุกทางจิตนิยามแท้ๆเป็นเจตสิกทุกข์ส่วนกายยิกทุกข์หรือทุกที่เกิดจากสรีระซึ่งยังเป็นผีชนิยามมันก็ยังไม่มีเวทนามันจึงไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์ดอก แม้พลังงานที่ตกลงไปถึงความเป็นผีชัิยามในตัวคนเช่นคนที่จิตตกลงไปถึงขั้นมนุษย์พืชเป็นต้นหรือถูกขีดยาถูกวางยาสลบแม้จะยังไม่ตายก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาแม้ทุกข่าอาริยศัสตว์จะดับไปได้หมดสิ้นแล้วในผู้นั้น แต่ความเป็นคนยังอยู่มันก็ยังเหลือทุกที่เลี่ยงไม่ได้อันเกิดอยู่หกประเภทเป็นต้นนั้นไงที่มันก็ยังมีชาติคือการเกิดอยู่ยังไม่ศูนย์หมดเกลี้ยง